สายต่อไปที่รออยู่ครับเป็นสายของคุณคิงมาแล้วครับใครที่เป็นแฟนคลับ FC ถามถึงตั้งแต่ตอนเข้ารายการว่าวันนี้คุณคิงพี่คิงมาหรือเปล่าป้าแมวมาหรือเปล่าวันนี้ป้าแมวไม่ได้มานะครับแต่คุณคิงมาครับสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณคิงก็มาแล้วก็เล่าเรื่องแบบโอ้โหใบแล้วน่ากัวมากอะ่ะ สัปดาห์นี้มาแล้วครับคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของพูดไม่ได้คิดเลยโดนดีครับเรื่องเงาทั้งหมดจะเป็นยังไงตอนนี้โอ้โหเหล่าบรรดา fc ในไลฟ์สดฮะกดกระนำอ่าเขาเรียกว่าตัวไลฟ์หัวแล้วก็หัวใจนี่เทียบเลยนะฮะ fc คุณคิงอ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิง ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คน่าแหมเราได้เจอกันแทบจะทุกสัปดาห์แฟนคลับเรียกร้องเออนะครับเข้ารายการมานี่เข้ารายการมานี่คําถามแรกที่คุณผู้ฟังจะถามผมนะนะส่วนมากเลยที่ทักมาวันนี้พี่คิงมาหครับวันนี้ป้าแมวมาไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเขารอฟังคุณคิงมากเลยนะครับผมโอ้นะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคุณคิง ชี้เด้งครับสระแก้วอยู่ที่สักแก้วนะนะครับตอนนี้อากาศที่สระแก้วเย็นขึ้นเอ่ยเย็นลงไหมฮะเหมือนเดิมนะที่ก็คือไม่เย็นไม่ร้อนแต่กลางวันก็มีนร้อนหน่อยครับโอ้กลางวันไม่ร้อนหน่อยบ้างสักแก้วอ่ะผมกลางวันนี่แบบโู้เนาะยากเห <c oughs> มือนยากเลยอ้กลางคืนนี้โอเคเราเป็นปกติโอ้ตอนนั้นมันร้อนอยู่แล้วอ่ะนะครับอ้าวคุณคิง<แ> น, นี้ผมมีเวลาให้คุณคิงแบบสบายสบายเลย ผ<ด>ม <ขอ S 1> เผื่ อ, <ข>อเวลา <ขอ S 2> ให้เพราะว่าผมได้สัญญาณมาว่าเรื่องของคุณคิงค่อนข้างยาวเรื่องนี้ครับประมาณเรื่องของพูดไม่ได้คิดเลยโดนดีถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ตรงหรือเป็นเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาเออเป็นเรื่องที่เจอตั้งแต่สมัยช่วงที่ก่อนจะบวชนะพี่อ๋อ อ, อ, อันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรง ครับใช่ครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มาเล่าเนี่ยคือของน้องขวัญนะไม่ใช่ของคุณคิงเองนะไม่ไม่ไม่ไม่อันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังพว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเฮ้ยทำไมคุณคิงมาเล่าบ่อยคืออย่างที่บอกว่าคุณคิงเนี่ยเขาจะเก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าแล้วถ่ายทอดได้ออกใช้คานี้ว่าโคตรดีอะถ่ายทอดได้ดีมากบางทีแกก็เอาประสบการณ์ของแกเนี่ยมาเล่าเองมากเอออย่างเช่นครั้งนี้นะ มันก็มีนานๆเจอสักทีสักันรไปทา ง, งานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมจะชอบฟังของคุณื่นแล้วที่พี่แจ็คบอกว่าเก็บรายละเอียดได้เพราะผมบางทีผมซื้อไงผมขอถามเขาถามแบบตรงเนี้ยผมถามเอาให้ละเอียดเลยรก่อนจะมาเล่าเอย่างนั้นนะเอาจริงๆนะคุณ<อ>คิงนะผมอยากจะบอกนะว่าคุณคิงเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าผมอีกคื <laughs> อสมาธิคุณคิงแบบว่าคอนเซ็ปตอยู่กับเรื่องแบบโหดีกว่าผมอีก เออนะครับมาคุณคิงมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปในสมัยตอนที่บอกว่าเป็นเด็กครับเอ่อก็ไม่เด็กนะผลจากทหารแล้วครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ได้บวดโอ้ยยยวยยยยยยยวชยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยะยยยยยยยยยยอยยยนยัยยยยยยยยยยยยยยนยยยยนยยยยิยยยยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หัดใหญ่หัดใหญ่นะครับหัดใหญ่เนี่ยก็เกิดว่าใครเคฟังเรื่องขอผมที่ผมจะทำทำอไปบ้างแหละจะมีเรื่องของคุณใหญ่โบกคือผมไปไปบ้านเพื่อนคนเนี้ยคนที่พูดถึงคนเนี้ยแหละคือชื่อโ oh อแล้วก็ดีว่าญาติๆเขาอ่ะก็เป็นลักถืออิสลามนะมแล้วเขาก็ทํำบริษัทเกี่ยวกับถังดับเพิงต้องขอญาว่าถังรับเพิงเนี่ยบางคนตะโตกไก่ว่าเฮ้ i, ทําแล้วมันมันคือมันเกี่ยวอะไร คือเราจะต้องไปเกบตามแต่ะวัติไม่ใช่อยู่แต่ละคันยาอย่างเดียวอืเพราะว่าจะมีการทําสัญญากันไว้ในหนึ่งหนึ่งถังที่เขาเข้าไปดูว่าะจะเป็นอู่หรือจะเป็นร้านต้มหรือจะเป็นร้านขายข้าวแกงที่มีสารพิษติดอยู่ที่เขาบังคับว่าต้องมีการมาตรฐานลลถูกต้องเขาจะทําสัญญากันหมดหมดว่าหนึ่งปีจะมาดูครั้งหนึ่งแล้วยกระดมยา ม, ยมใหม่มือม่าเป็นเป็นการเซอร์วิสใช่ครับอันนี้ว่าหลังเด้อ แต่ตอนนี้ผมเข้าไปถึงเนี่ตอนนั้นผมก็ว่างงานเพระว่างงานแล้วไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกลองทํากับญาติแม่ลาผมก็เลยบอกเออก็ดีนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทํางานหลักอะไรที่นั่งรถไปถึงแล้วก็ไปไปลงไปแถวถังลำเพื่แค่เราไปเป็นเพื่อนกันแล้วออกต่างจังหวัดไปนราธิวาสไปยาลาไปปัตตนีซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุการณ์แล้วตามจังหวัดแถแดนภาคใต้แต่ที่ที่มันเกิดเรื่องเนี่ยคือมันเกิดที่สงขร์โกลบคือเราไปถึงจุดนู่นเลยนะแล้วผมเนี่ยต้องขอกล่าวกันว่า ผมเข้าไปก็จะค้างประมาณสองวันสวันในขณะที่เราไปเนี่ยเขาก็จะไม่เลือกโรงแรมที่มันหรูหรอกเขาจะเลือกโรงแรมที่แบบพวกเตลชอบนอนกันคทีนี้ถ้าเกิดใครเคไปที่จังไหวโคราชนะครับให้นึกถึงว่ามันจะมีช่วงรอยต่อที่จะออกแดนข้างนอกนะครับแดนของของต่างต่างต่างประเทศนั่นเองด้วบ้านเราอะช่วงตรงนั้นมันจะมีร้านอาหารอะไรเยอะถ้าใครเคไปบริเวณนั้นแหละผมจะบอกโทอะไรนะบอกแอนเนียให้เลยคือบริเวณนั้น แล้วมันจะมีก่อนก่อนที่จะเข้าไปประมาณสักประมาณสองกิโลเนี่ยมันจะมีโรงแรมอยู่ทางซ้ายมือโรงแรมเนีนเ่นยเลนคนอเราเข้าไปในซอยเลยครับพอเข้าไปในซอยตอนแรกผมม อ, อ, องฝั่งซอยผมคิดใหญ่เลยที่แจงว่ามันไม่น่าจะไปพ้นโรงแรมจิ้งหรีไปได้อ่ะเพราะว่าเป็นซอยเล็กเล็กรถ ก, กระบะเข้าไปเน่แคบเจ็พอดีคันเลยรถส่วนกันไม่ได้อ่ะคือไม่น่าจะเป็นโรงแรมที่ระดับสักสามดาวสี่ดาวไม่มีทางแน่นอนมันต้องเป็นระดับแบบจิ้งหรี อ่าผ ม, มที่เดินเขาันเข้าไปในซอยบอกว่าครับแล้วแล้วในซอยที่เข้าไปคือขยะที่เทียบเลยพี่ระดับกันใหญ่มากพอเข้าไปอยู่ผมเจอโรงแรมที่แจ๊กที่บอกนี่คือให้คนที่อยู่ที่นั่นเลยเคยไปมินสภาพโรงแรมนี้ออกพอพ้นซอยปุ๊บโรงแรมใหญ่มากครับแล้วมันอยู่ในซอยมันเหมือนกับว่าเขาซื้อซื้อที่ในซอยอ่ะซื้อซื้อกงกว้างอย่างเงี้ยแต่เราต้องเดินไปต้องเข้าซอยไปหน่อยรโรนั้นใหญ่มากผมได้พักชั้นสาม ในขณะที่ผมเดินขึ้นบันไดไปเน<ฮ>ี่ยจะต้องบอกว่าคนที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาเป็นอิสลามหมดอืเขาก็เดินไปนะครัผมจะไม่ขอเอื้อเฟื้อเขาเนลยก็เดินเดินขึ้นไปผมก็เดินตามหลังคือเราเป็นเด็กใหม่เราก็แบกถังแบกกระเป๋าไอกระางของเขาเง<ฮ>ี่ยเดินเดินและผมจะยืเนเฉยเหมือนกอิสลามคนทีเขาละหมาดอะไรเงี้ย ได้ยินตลอดเวลาผมก็ยังคิดในใจว่าโอ้ทางนี้เขาเขาทำเงินขนาดนี้เนาะคือตลอดมาเขาก็ทํางันทั้วันเนาะถ้าพักบางทีมันก็เ ง, งียบผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็ลงมากินข้าวอย่างเ้ยคือมันเป็นช่วยอยงอยังเย็นอยู่เลยหัวค่าหมดเรือ่องถ้าพัก็รหมาณนี้โอ้ผมเฮ้ยเฮ้ขาปล่อยอกันไงฮะแต่พวกนี้เขาเป็นเฉยๆเรามองพวกเขาก็คือเฉยๆไงโดยเฉพาะอืมอืมไม่น่ามีอะไรหรอก เราก็เข้าไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยคันนี้พวกเขาเนี่ยเขาไม่กินข้าวกันเขากินพวกเป็นขัแก้มเล่นอะไรเล่นเขากินเสร็จแล้วเขาคือเหมือนเขาไม่ต้งองมากินข้าว อ, ะอ่ะเพราะผมไม่อยากที่จะกินเหล้าพวกเขาไงแล้วพวกเขาดื่มเหล้ากันอืขอนเขาถือเหล้าขึ้นไปบนโรงแรมไปนั่งดื่มกันสองคนระหว่างคนที่เป็นหัวหน้า ก, กับอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นญาติ ก, กันนี่แหละครับเพื่อญาติกันเขานั่งคุยกันผมก็นอนอยู่ข้างบนเตียงนอนดูทีวีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเราคือเราจะดูอะไรก็ดูเขากินเหล้ากันแหะ ลอกห้อเปิดไฟอืมแสงจากข้างนอกซึ่งมันยังไม่มืดมากก็ยังรอดเข้ามาแนละ้วพี่แจ็คเป็นสภาพน่ะมันไม่ได้มืดไม่ได้น่ากลัวเลยผมนอนไปนานแค่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วผมลืมความรู้สึกว่ามันหนาวที่อือเพราะเขาเปิดแอร์แรงมากเลยนะหนาวที่ขาผมก็คิดในใจว่าเดี๋ยวเอาห้างผมอ่ขึ้นมาขึ้นมาห่มดูอ่ะเพราะว่าเตียงเขาจะปูแล้วก็ห่มอัดไปอย่างดีอืพอผมจะขยับตัวผมลืมตาตาผมลืมโพงแล้วพี่แจ็คไม่ใช่แค่โดยเดยมไม่ใช่แค่แบบว่าตื่นหลับตื่นตื่นนะผมลืมโพงเลย แต่ผมขยับตัวไม่ได้อแล้วผมหันได้แต่คออ่ะคือหันแล้วปากแข่งขึ้นแล้ไมาได้แล้วพยายามที่จะเรียกเขาสองคนซึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าเราเองอนั่งอยู่ปลายเท้าเราแล้ ว, ลวมีโต๊ะอมกวน็กที่ในโรงแรมเขามีไว้ให้ท่านั่งดื่มกันเนี้ยแล้วผมเห็นว่าเขาหันมองผมด้วยน ะ, ะแล้วก็ยักคิ้วให้ผมคืมอเขาคงคิดว่าผมนอนมองเขาเฉยแต่ความจริงขอผมพยายามเอาปลายมือซึ่งอยู่แนบลําตัวเนี่ะพยายามเอานิ้วกดดิ้ที่จะเรียกเาว่าเรา่ขยับไม่ได้แต่เขาไม่รู้นะเขาหันแล้มองหน้าผมเขายักคิ้วเฉยแล้ว อยู่แล้วมันตอผมว่าเอาไงดีวะนึกถึงว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราดี亚马เนี่ยให้เราขยับได้สัเกเสีดหนึ่งมันจะขยับได้แต่ไปนี้วผมมันจะดูกระดิกได้อคอขผมหันได้เตีย น, นี้เตี้ยหน่นอยแต่ผมไม่หลุดเพราะผมไม่หลุดผม่าเรลยคิดทำไงดีวะเนี่ยจิ้งตามไปจิ้งตายิ่งตามมาอยู่พักหนึ่งที่แด<ถ>งกับผ่านไปแล้วนะผ่านไปสองรอบสามรอบนะแต่พอผ่านับมารอบเนี้ยข้างในห้องน้ําอ<ถ>่ะผมไมเห็นโอ้ขนลุกอ่ะเห็นไม้ม ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาใส่ียา่ะที่เป็นผ้าคุมของของของิสรามเขาอะครับเป็นผ้าคุมผมอะแล้วเขายืนมก้มหน้าผมไม่เห็นตาเขาจะปากเขาจะทาสีม่วงผมจําได้เลยปากทาสีม่วงอออืืแล้วเขายิ้มแบบว่ามุมปากอ่ะเป็นหยักแบบล้วหยักไม่เห็นปันนะครับรมุมแปกมุมปากก็เป็ น, นแหลมแหลเลยไม่เห็นปันแล้วเอามือสองข้างอะเอาไปลายนิ้วอะตรงกลางระหว่างลิ้นปี่อ่ะระหว่งางละอกอ อ่าช่วงมาเทินเตีย่ครับแล้วยืนก้ม ร, ร้านนี้คือเราไม่เห็นลูกตาเขาแต่เห็นกระตากอย่างนัน<ม>แล้วยืนแยะระหว่างนั้นก็มีเสียงวอออยู่ข้างหูรตลอดเลยอือหอยู่ข้างหูอือหูผมอ้ผมนลุกตอนนี้หูเราเลยผมคิดเขายืนทําอะไรกันหรือว่าเป็นขนาดพิธีษเขาแล้วทําไมถึงคือตลนแรกผมงงมากตอนแรกผมก็ไม่มใใคิดอะไรคิดแค่นั้นแหละจนแล้วนะลเขาคุมค่าตาหลีสีมหมดเลยนะเป็นชุดแบบกีตามเป็นชุดเลยอ่ะมันแข็งจริงจริงอ่ะ กำเนินกำไรอะไรไม่รู้เพี้ยบไปหมดเลยเขาพูดมาคำหนึ่งในระหว่างที่ผมกําลังสอบถาทางออกให้ตัวเองเขาพูดบอกว่าเขาพูดไทยชัดมากเลยนะพี่ไม่มีคําว่าเป็นเห็ุคนใต้ที่ทองแดงอะไรเลยครั บ, รบพูดภาษากลางว่าถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าตําหนิออื ค้าหาว่าเราอยู่คนละศาสนาก็ใช่ว่าจําเป็นจะต้องไปตำหนิหรือว่ากันผมรู้ทันทีเลยพี่แจกว่าเรื่องอะไรที่จริงว่าผมไม่ได้ตำหนิแต่ผมนึกย้อนไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งคือตอนกลางวันที่ผมเนี่ยไปขายถังน้ำเพิงอะครับแล้วผมเข้าไปในความความหนึ่งอพราะผมเข้าไปถึงผมก็ล้างแขนล้าหน้าได้แหละพี่แจ๊กแต่ความที่เราไม่รู้เลยว่าทำไมเขาทำกันอย่างนั้นเพราะว่าผมกำลังก้มหน้าอยู่เนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะเขาแต่งชุดของทางทางทางศาสนาเขาอะนะสีขาว เดินมาถึงแล้วก็ยกเท้าขึ้นพาดบนอ่างลังหน้าน่ะนะอ่าแล้วก็ล้างเท้าผมก็เฮ้ยคือหันไปแล้วก็พูดแรงๆไป่เฮ้ยยกเนี่ยยกเท้าอ่ะแต่เราไม่ใช่เขามาเท้าหรอกลุกขึ้นําทำไมเนี่ยแล้วผมกำลังก้มล้างหน้าอยู่เนี่ยครับเขาก็มองผมไม่เฉยนะเหมือนเขาพยายามควบคุมอารมณ์อ่ะคุณทําอะไรคุณดูมั้งไม่ใช่ทําหนี้ผมกำลังก้มหน้าล้างอยู่แล้วหันมาเจอเต็มๆแต่แล้วหันด้านแปลใส่ผมด้วยพี่แจ๊ผมก็ไมหัวได้เหมือนเขารอเล่นเราอ่ะอผมก็เลยแบบไม่ทำอะไรวะแล้วก็เดินกลืนไปก็มีแบบ มีขึ้นมึงกูแต่เราตุม้มพังคนเดียวอะ่ะเดิไม่ถึงผมก็ไปเล่าให้พวกบังเราฟังบงังยิ่มมาแล้วเกิดด้วยกันเลยเขาต้มองผมแล้วเขาเฉยๆนะเหมือนยิ้มนิดแล้วเขาก็ถ่ายหน้าแล้วเขาก็เดินเข้าไปไอ้เราก็กินเพาะที่เขาใส่หน้าหรืออยากให้ใส่ใจครับตอนนั้นผมเล่นแต่ภาพนั้นแล้วท่านอการอะไรไม่ออกเลยว่าเราเคยพูดเลยที่มันไม่ดีกับคนของคนของเขาไหมที่เนี่ยนอกจากนั้นไม่มีแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเราที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเราถูกเพราะตรงนั้นมันเป็นอ่างล้างหน้าเราก็ไม่คิดแบบว่ามัน ใช่ครับใช่คือเจตนาเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะผมนึกแต่ว่าเขาคงจะมามาห่วงลูกหลานเขาที่รับถือศาสนาเขาเพราะว่าเขามาว่าเราแล้วเราอ่ะมีเรื่องเดียวที่ทําให้แบบขุ่นเคืองใจคือเรื่องนี้แหละทั้งวันไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่ใช่คนลบดูดศาสนาใครอยู่แล้วอืมท่านี้เขาก็พูดอะไรอยู่ว่าจำเอาไว้นะครั้งนี้จะไม่ทําอะไรแต่ครั้งหน้าอย่าให้มีอีกผมไม่ตกคาบครับถ้าเกิดผมทําอะไรไปเนี่ยผมขอขมาภัยเลย ให้รู้ไว้เลยว่าเจตนาคนอยาผมอะไม่เคยมีที่จะลบหลู่คือผมคิดใจใลนะพูดไม่ได้ครับเขาก็เหมือนพยักหน้านิดๆระหว่างนั้นผมก็ลุกโคดขึ้นมานั่งฟังแกก็ถามเป็นอะไรอ่ะอู้ขอผมคนรู้ตอนนี้พี่ได้แล้วผมก็บอกว่าผมเงี้ยแตกเลยนะในขณะที่แอร์แรงๆอะผมบอกฟังผมฝันร้ายผมพูดแค่นี้แหละแต่จริงผมรู้ผมไม่ได้ฝันผมเห็นเต็มตาด้วยครับแล้วสิ่งที่มันตลาดกันนั้นแล้วพี่แจ็ก็คือตอนเท้า ที่ทำใ้ผม ก, ก็คือกลัวมากกว่าแนละ้วคือตอนเท้านะ่ะผมเห็นบางเนี่ยเขาเขาสูงประมาณร้อยแปดสิบกว่านละ้วแต่เขาจะยืนโกนหนวดบนเขา่าเขาอะเขาต้องเอากระจกอะกดให้มันให้มันก้มหน้าตับลงมาหาเขาอ่ะแต่ผู้หญิงคนที่เห็นเท่าที่ผมมานั่งในผ้าตอนหลังบรนท้าผ ม, มานั่งนะึกว่าเขายืนสูกเลยกระจกแล้วอีกนะ่ะแสดงว่าสูงมากสูงมากครับสูงมากที่ผมมานั่งระหว่างที่ผมยืนดูบางแกน คนเหนืองเขาผมว่าขนลุกไปเะยคอกไปยังอะบางผมกูยังไปเออตอกอย่างนี้เลยผมก็เดียวดีแบบไม่อยากอยู่แล้วว่าลูกที่อยู่ตอนนั้นแหละถามน้ํานี่ผมบอกบังบอกผมกลับแกถามทำไมไม่จิตตัวผมบอกเออผมอย่างนี้แหละสบายสบายผู้ชายด้วยกันผมก็พูดอย่างนี้แหละแต่จริงเราใจไม่อยู่กับตัวละก็ออกมาตอนหลังผมก็ถามบังว่าบางครับลูกผมนึเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวยังไงพี่จ๊คผมนึกอย่างอื่นไม่ออกเลยว่าอะไรที่เราจะไปลบหลู่เขาได้มากขนาดนี้ ต่อหลังมาผมมาถามบางแกบางแก็บอกว่ า, วาไอ้ที่คุณไปว่าเขาเนะี่ะคุณรู้ไว้นะว่าทางอื่นผมไม่รู้แต่ทางสามจังหวัดหรือทางภาคใต้ลงมาเนี่ยที่เขาละผีสลามอย่าไปว่าเขาอืมเพราะว่าเขาให้ได้รับการอนุญาตอืพวกเนี้ยตามปั๊มเนี่ยเขาจะมีที่ละหมาดด้วยครับ<ถ>เวลาเขาจะเข้าทําการละหมาดเขาจะล้างชำระตัวเองให้สะอาดทั้งหมดในการยกเท้าบนอางล้งหน้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติกของที่นี่ อ๋อเหรอคุณแปลว่าอ่ า, อาคุณไปล ว, ว่าเขาเนี่ยไม่ปกตินะผมเลยบ อ, อ๋อผมเพิ่งรู้ไงผมไม่รู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นการลบหลู่เขาแล้วตั้งแต่ที่ผมพอผมได้ยินบางเสร็จทุบเนี่ยผมยกมือไหว้ผมบอกผมศาสนาพุทธ น, นะแต่ผมผมไม่รู้ว่าศาสนาคุณจะต้องทํามือยังไงจะประสานกลางอกไ้มหรืออะไรผมขอยกมือไหว้แล้วกันอผมก็ไปแอบทำคนเดีย ว, ย ว, ยวนะิ่งๆแล้วตรงตรงนีง้เขาปัดน้ํายาสางกะเพิงอะก็ยกมือไหว้บอกคุณผมรู้แล้วตอนนี้ว่าผมทําอะไรผิด อันนี้ผมรู้จริงจังแล้วและผมทำได้จริงๆริงแล้วแล้วมันเป็นเวลากลางคืนเขาคือเขาจะกลับจากโน่นไปแล้วไปถึงหัวใหญ่มันก็ดึกเป็นเวลากลางคืนครับเสร็จแล้วเขาเขาพูดอะไรกันก็รตะโกนออกมาในขณะที่เขาตะโกนเนี่แล้วเขาเปิดเพลงของพวกเนื้อเพลงั่วไปอย่างที่เราฟังนั่นแหละเติมเต็มชีวิตแต่แต่แต่มันกลับมีเสียงแบบตอนนั้นมันเป็นแคดิโอมันไม่ใช่ทีดีนะที่แคดิโอรุ่นนั้นนะมันเด้งมันเด้งแผ่นออกมาแล้วมันก็เป็นแผ่นตีกลับเข้าไปแล้วมันเสียง เออเป็นเพลำหนาของเขาขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะตู่ก็มองนะแล้วตังค์ก็จะมม้หน้าแกบอกเฮ้ยใครเอาบทแอนตุนมนมาไสไว้นี่วะคนอื่นเขบอกไม่มีใครใครแล้วเป็นจังหวัดอยู่มณฑลไหนะทุกแกมีควาพว่าถ้าเป็นขี้เป็นผมนะแล้วยืนอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วเสียงนี้มันดังมา<ถ>จะรู้สึกยังไงครับอือ พนังเออขึ้นมาผมรู้เลยว่าเขารับรู้แล้วในสิ่งที่เราพูดเหมือนเขาต้องดูเราอยู่ตลอดว่าเราจะสำลึกเมือ่อไหร่นี่แหละนะมันเป็นเหมือนเป็นนู้งซาขอหอนะผมแล้วผมจะไม่ลบดูศาสนาใดก็ตามแต่ไม่ลบดูไม่ลบดูเลยแล้วไม่เคยพูดถึงในทางไม่ดีเลยผมรู้ทุกศานาสอนให้ดีหมดแต่วันนั้นจนวันเนี้ยแค่เราไม่มีเจตนาแต่พังปากเนี้ยทําให้เราแบบดักหนาหนักหนาวันนั้นน่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะเอาเราจริงจริงวันนั้นน่ะถึงตายน ะ, ตยนะแต่พวกผมรู้ว่าตัวผมมันคนเป็นตะคิวเลย เก่งขึ้นมาขยับมาได้ทั้งตัวยังเหลือแต่ปลายนิ้วกับกับคอแต่ปากเขาพูดไม่ได้เหมือนคนตะกีกินปากไปแล้ว อ, ะอ่ะเขาเอาเราอย่างนั้นเลยลักษณะผมย้อนกลับไปตอนที่เห็นเขาผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึง่งฟังฟังลักษณะแล้วน่ากลัวเนาะคือ ค, คือเป็นผู้หญิงใส่เหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าที่คลุมเขาใช้ชื่ออะไรนะฮะที่ที่คลุมผมยับครั บ, บใช่ไหมยับ่านะครับแล้วก็เหมือนกับผ้าสารี คลุมสีม่วงครับแล้วเอามือมาทําอะไรตรงหน้า อ, อกตรงนิ้นปี่นะฮะเอาปลายนิ้วปลายนิ้วของสองมือครับแตะไว้ระหว่างลิ้นปีระหว่างนิ้วปีภาพนี้น่ากลัวจริงนะคือระงมนะใช่แล้วไปที่ร้านยนตะหว่างอยู่นะพี่แจ๊คเขายืนในที่มีไฟด้วยไม่จําเป็นต้องมืดเขาแตดงตัวตรงนั้นเลยโอ้โหอ๋อเขาเรียกว่าหิยับที่ที่คุมผมนะฮะแล้วก็ใส่สานหลีแล้วก็เอาสองนิ้วชี้นี่นะฮะ อแตะมาที่ปากคือแตะไปนิ้วสอมือเลยสองมือเลยอ๋อทั้งทั้งทั้งสองมือเลยใช่ครับสอมือเลยแตะมาที่ลิมฝีครับโอ้หเฮ้ยเออภาพนี้น่ากลัวจริงแล้วก็ก้มหน้าใชแต่เห็นลักษณะของการยิ้มงงปากขึ้นมาปากสีม่วงด้วยพี่เจ้ทให้ผมจํารอยยิ้มก็ได้จนวันนี้ปากสีม่วงเลยและลิมฝีปากเขาแหลมมากเลย แหลมที่ปกติมากเลยเขายิ้มอะแต่เขายิ้มดูดูสงบน ะ, ะแต่มันดูน่ากลัวตรงปากแหลมๆนั่นแต่เราไม่เห็นปากเขาเพราะว่าไอ้ด้านบนของผ้า ย, ยาิ้มยับติดอยู่แล้วเขากม้มหน้าหน่อยหนึ่งด้วยอโอโ อ, โอ้ภาพนี้น่ากลัวจริงฮะคือผมนึกภาพตามนึกภาพออกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณคิงกําลังเห็นอะไรอยู่ที่ผมถามยาเพื่อเ<ๆ>พื่อเพื่อที่จะได้นึกภาพตามถูกว่าเฮ้ยคุณคิงเห็นลักษณะแบบนี้อยู่เ แล้วผมก็ถูกกริกไม่ได้ในขนณะท <S S 1> ี่สองคนนั้นเขานั่งกินเหล้ากันแล้วเข้าไปจัดเ ต, ตรงที่เรานอนนะพี่ตรงที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟเพราะว่ามันมีแสงรอดมันจากข้างนอกซึง่งมันยังไม่มืดสนิทแต่มันก็พอมีแสงเนี้ยคือเป็นแสงแบบแสงตาลังจะมืดนะ<อ>แต่ในห้องน้ําอ่ะชัดเจนว่าเปิดไฟแต่เขาก็มาได้ทั้งที่เปิดไฟเขาไม่ได้มายืนมุมืดๆด้วยนะเขาไม่จำเป็นต้องหลบเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่ใช่ผีเขาก็เป็นใครี่เป็นชั้นสูงแล้วเขามาเตือนอืม เขามากลางแสงไฟเลยอ๋อนะแล้วที่สําคัญคือเสียงเขาเรียกว่าเป็นเสียงละหมาดเสียงละหมาดที่ที่คุณคิงทําเสียงออกมาคือผมผมได้ยินบ่อยคือผมคุ้นหูกับเสียงละหมาดอยู่แล้วผมจะได้ยินบ่อยเวลาไปไปไปที่ไหนก็แล้วแต่คือถ้าถึงเวลาละหมาดเขาจะละหมาดกันช่วงถ้าเป็นเวลาปกติเนี่จะเป็นช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นบ้างนี้ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจแต่วันนั้นแ่ะวันนั้่่อจดงตแรถ ลงจากรถกระบะนะก็นรถเี่ขาเปิดเพลงกันดังะเปิดเพลงทางใ ต, ต้ไปิลชีวิตเนี้ยเขาก็เปิดกันดังแต่พอลงรถมาเนี่ยตั้งแต่ออกจากรถมาผมจะได้ยนินอเป็นํานองอยู่ ข, ข้างหูเหมือนคนเปเหมือนคนเปิดไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะเสียงตามตายแต่มันแปลกตรงที่พวกเขาไม่ไม่รู้สึกอะไรกันแต่ผมก็คิดว่าไม่แปลกเพราะเขาเป็นฒนาสนนั้น อ๋อนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิงคุณคิงแป๊บนึงอ่าผมเอาตัวนี้ก่อนมีคนบอกมาแล้วว่าละหมาดเนี่ย5เวลานะฮะ5เวลานี้เวลาไหนบ้างคุณผู้ฟังอ๋อนะฮะช่วยชวยบอกเวลามาทีว่า5เวลาเนี่ยเวลาไหนบ้างก็แสดงว่าไม่แน่นะครคือเสียงทุ่คุณคิงอาจจะได้ยินเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เขาละหมาดพอดีเพราะ5เวลานี้ผมว่าก็เกือบจะทั้งวันเหมือนกันนะ ไม่มันไม่ไมไมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าที่ผมถามที่ผมถามฟังเขาว่ า, าที่ผมได้ยินเสียงนั้นมีใครได้ยินไหมเขาบอกว่าไม่ได้ยินทำไมผมต้องถามเพราะมันเป็นแค่ช่วงเวลาระยะ ใ, ใกล้ๆกันตั้งแต่ลงตั้งแต่ลงรถกระบะช่วงเย็นจนยิงหัวข้าอ่ะมันหน่อยเดียวเองแต่ผมได้ยินบ่อยและเด่นอ่ะครับผมก็เลยถามคือมันเดี๋ยวเดียวก็เร า, น, า, น, านั่งอยู่ทีวีอยู่เนี่ยเหมืนมันกบเียงทีวีเลยอแล้วแล้วผมก็คือแบบว่า ผ ม, ผมไม่คิดมากตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะอืมเป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายทางใต้ประกาศว่าถ้าร้านค้าที่ไหนเปิดหลังสามโมงค้ึ่งเขาจะยิงเขาจะระเบิดมันช่วงนั้นแหละที่เป็นข่าวอยู่ครับผมจําได้และช่วงนั้นผมก็เลยทําให้ผมคิดว่าอ๋อรถไฟเขาคงสวดมนต์เพื่ออ้อนวอนพระทัพพระเจ้าให้คุ้มครองพวกเขากันเพราะว่าร้านรวงทุกอย่างก็ยังคงยังคงเปิดแบบ มประกาศประกาศที่แต่กูจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยข้าวก็ยังเปิดอยู่ปกติเราก็ลงไหางขากินได้ปกติแต่แต่ต้องระวังอาหารนยืมงินเทียบเลยตอนนั้นนะฮะนี่ฮะเวลาละหมาดนะครับมีตีห้าครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งบ่ายสามโมงสี่สิบห้าหกโมงครึ่งและทุ่งสี่สิบห้าอ๋อนะครับหรือว่าหไม่ก็ อ่าอันนี้ฮะย่ารุ่งกลางวันเย็นพบข้ามกลางคืนอันนี้แบบเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าตามเวลาเปร๊ะนี่คือตีห้าครึ่งทเที่ยงครึ่งครับอ่าบ่ายสามสี่ห้าหกโมงสามสิบนะฮะหกโมงครึแล้วก็ทุ่มสี่สิบห้าเออนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับครับเออจะบอกว่าที่้าเหมือนกันนะว่าในส่วนของทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการอนุญาตพิเศษนะครับให้กับ พี่น้องชาวมุสลิมถ้าสมมุติว่าจะเข้าไปละหมาดแน่นอนว่าต้องมีการชำระล้างร่างกายบางส่วนก่อนอย่างเช่นเท้านี้ต้องล้างก็คือสามารถเอาเท้าเนี่ยยกขึ้นล้างที่อ่างล้างหน้าของตามปั๊มได้เลยอันนี้คือเป็นเป็นการอนุญาตพิเศษถูกไหมฮะเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องจริงแล้วก็ไปโน่นถ้าคุณเห็นแล้วคุณอย่าไปติเขาเพราะเขากำลังจะไปทำที่อื่ของเขาต้องไม่ว่ากันเลยนะครับคือเข้าใจเข้าใจเพราะว่าหนึ่งคือเรา คนศาสนาการเราไม่ทราบขั้นตอนพิธีการปฏิบัติอันนี้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นตามเท่าไสมมติไม่ต้องเป็นคุณคิงหรอกอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรคือไม่ต้องเป็นคุณคิงสมมติเป็นผมผมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมต้องยกมาขนาดนี้ก็ทุกคนก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของมีการมีอารมณ์เป็นเรื่องปกติแต่อย่างอย่างที่บอกคือถ้าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าถ้าไปเป็นเฉพาะพื้นที่พิเศษอ่ะเราต้องทําการบ้านหนักมาก ว่าเฮ้ยตรงนี้ไปเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงทําตัวยังไงวางตัวยังไงอะไรอย่า ง, งเงี้ยโ อ, อ้ตรงเยอะตรงเยอะพี่แล้วก็ฝากหน่อยพี่แดนผมถามมาระยะยาวนะพี่พี่จําคลิปที่ผมส่งคลิปน้องน้องน้งขวัญให้พี่ได้ไหมจําได้ที่ยินเสียงไอ้พวกกระดิ่งกระพวนหรือเปล่าครับอืไม่ได้สังเกตขนาดนั้นฮะแต่ว่าเพราะตอนนั้นคือคือไม่ได้บอกไม่ได้บอกเรื่องกระดิ่งกระพัวป่ะตอนนั้นน่ะ คือว่าน้องขวัญนนะ่ะที่เขาเคยป่วยคือพอดีมีคนถามผมตอนว่าในเฟซบุ o กบ้างไวบ้างถามว่าที่ป่วยเนะี่ยเพราะเหตุแค่ได้ยินเสียงเด็กเสียงผู้หญิงไม่หรอผมก็เลยบอกเขาไปว่าจริงๆน้องขวัญเขาที่บอกว่าเขาได้ยินเสียงกระดิ่งกระปวนด้วยครับซึ่งมันไม่มีแล้วผมก็เลยบอกว่าเออพอเอกใจแนละ้วก็ลองกลับมาเปิดฟังดูมันมีนะพี่แจ็สมีลองลองดูครับมันจะมีเสียงกระดิ่งกระปนผมก็เลยไปแจ็มันมาไหนอ่ะออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเลยอันนี้ยังไม่ได้ฟังเลยเหมือนกันต้องต้องไปย้อนฟังอีกทีหนึ่ง ครับ<อ>มีจริงจริงมีเสียงกะดิ่นวแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่เยอะแยะซึ่งพอผมม า, าขงังผมดีใจว่าเราตั้งอยู่คนเดียวได้ไงวาตอนนั้นแหละอะไ ร, ร อ, อย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นตัวเราก็ไม่ได้ยินไงใช่ไหมแต่คขาพอกมาฟังย้อนหลังมันได้ยินครับเออนะฮะนี่อ่ามามมาม า, มาเรื่องนี้กันต่อนะครับก็มีคนบอกเวลามาต้องลงเวลาไหนกันแน่ตีห้าครึ่งอันนี้อีกอันหนึ่งบอกตีสี่ครึ่งเที่ยงสิบห้าบ่ายโมงสามสิบ หกโมงคึ่งและทุ่มสี่สิบอ้าเวลาดูดูไม่ตรงกันละอาจจะมีผิดผิดนิดนึงใช่ไหมมันเหมือนก็เหมือนกับวัดไทยเราตอนผมบวชเนี่ยผมไปวัดเนี้ยทาวัดเช้าตอนแปดโมงส่วนวัดต้นสังกาดผมเนี่ยทาวัดเช้าที่สี่ครึง่งแต่ถ้าไปที่วัดหลวงพ่อผมอะทาวัดเช้าที่สามคึ่งนะมันจะเป็นไม่ได้แล้วอาจจะผิดเสียงไปนิดหน่อยอะไรางั้นนะนะฮะแล้วก็อเขาบอกว่า อ่าภาคใต้เนี่ยจะมีทุกปั๊มเลยสําหรับสถานที่ละหมาดนะครับแล้วก็บอกว่ามางที่เนี่ยจะมีห้องสําหรับชําระล้างร่างกายเลยก็มีครับอ่านะครับเพราะว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าปั๊มที่คุณคิงไปเข้านะตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีห้องสําหรับเอาไว้ชําระล้างร่างกายก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าอาจจะใกล้เวลาละหมาดแล้วก็เลยต้องใช้แบบยกเท้าขึ้นมา เพื่อเที่ยที่จะล้างแล้วก็ต้องรีบเข้าไปละหมาอะไรประมาณนี้ถ้าท่าน เ, เป็งโไไออนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าปั๊มก็อาจจะไม่ได้สร้างอ่าที่สําหรับชำระล้างร่างกายทุกปั๊มหรอกอาจจะมีแค่สฉพาะบางปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปั๊มเล็กๆผมว่าเขาคงอาจจะไม่มีงบประมาณในการสร้างด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ผมไปที่ว่าผมเจอเขาลังเท้านี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขน า, ออขนาดกลางๆนะครับขนาดกลางๆนะฮะ ก็อาจจะไม่มีห้องชำะระล้างอะไรประมาณนั้นแหละแล้วด้วยเวลาอาจจะงวดเข้ามาละอาจจะต้องเอต้องรีบไปละหมาดก็เลยต้องใช้วิธีการนั้นซึ่งเขาอาจจะมองเป็นเรื่องปกติอันนต้องบอกต้องต้องต้องแจ้งอย่างนี้นะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะโอ้โหทำไมถึงต้องยกเท้าขนาดนั้นเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติกันเพราะว่าด้วยของเวลาด้วยของสถานที่ด้วยของอะไรหลายๆอย่างและที่สําคัญคือเขาได้รับการอนุ ญ, ญาตแล้วนะคุณผู้ฟังนะเออ แล้วผมมีเรื่องอันนี้มีเวลาอยู่ใช่ไหมพี่แจ๊คมีเวลาใช่ไหมครับประมาณสัก20นาทีได้อยู่อ่พี่แจ๊คครับครับอันนี้ผมไม่ได้ว่ามันเจตนาที่จะมาแสงอะไรแต่ผมขอฝากพี่โดยเฉพาะเพราะมันเกิดขึ้นกับคนหลายๆคนก็แค่ประมาณ 10-20 คนแหละที่เขาฟังฟังผมตอนคืนที่ผมทําเล่นนะะพี่พี่แจ๊ครู้อ่ะคือมีน้องคนหนึ่ง อขอโทษนะครับผมยกมือไหว้ก่อนผมไม่เล่าเรื่องคุณแน่นอนผมบอกว่าผมไม่เลาแน่นอนแต่ผมจะเล่าแค่เหตุการณ์ที่เจออ๋ออ๋อมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาส่งเรื่องเฮ้ยผมคนลุกตอนนี้น้องคนหนึ่งอ่ะเขาส่งเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องผีเขบตัวใจส่งเรื่องผีแต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนติดคดีอืมเขาก็เรคดีห ม, หมายถ<ำ>ึงว่าเป็นคดีความอย่างเงี้ยหรอ อ่าครับครอทนี้ว่ผมเขาเขาก็เล่าให้ผมฟังเสร็จแต่เขาก็เล่าในส่วนของเรื่องของวิญญาณเนี้ยรเรื่องของลี้ลับเงี้ยอืมวันที่ผมอ่านน้องเขาส่งมาให้ผมผมไม่เห็นนะพี่แจ็คเชื่อไหมผมไม่เห็นข้อความจนเขาทักมาในขณะที่ผมเปิดเฟซว่าพี่ริงอ่านหรือยังผมก็บอกว่าผมเพิ่งเห็นข้อความเนี่ยทั้งที่ปกติก่อนจะเข้าเฟซเนี่ยผมจะอ่านที่เมสเซนเจก่อนอ่านว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างพอไม่มีผมจะเข้าเฟซครับ แต่วั น, นันผมอ่านไม่มีพมเพราะอ่านเส็จปุ๊บผมก็เลยเข้าเฟซน้างเขาเห็นผมอ้อนเขาก็เลยทักมาอพอทักมาผมบอกอขอโทษนะผมไม่เห็นจริงๆต้องขอโทษเขาก็ยังบอกอไม่เห็นเหรอเฮ้ยอยูแปกใจําแรกเขารู้คํานี้นะผมก็ยังว่าก็คงเป็นปกติผมบอกโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาอ่านนะพักหนึ่งแล้วผมจะโทรไปถามทางเฟซเนี่ยโทรไปว่าเรื่องราวเป็นไงขอรายละเอียดอย่างที่ผมบอกพี่ว่ผมชอาเก็บรายละเอียดตอนนี้ผมก็อ่านอ่านอ่านไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันลูกอะ ครับพอมันหนุกคือมันหนุกตรงนี้มันนา่ากลัวมากมากเลยอืมแล้วมันแฝงกับเรื่องที่แบบว่าเป็นคติสอนใจคนได้ทั้งประเทศแหละผมก็เลยแบบเอาผมบอกผมขอญาตโทรหาได้ไหยครับอืมเขาบอกได้ค่ะผมก็โทรเลยครับพอโทรเสร็จปุ๊บไม่ได้คุยอะไรกันนะตรงนั้นแหละไม่ได้เล่าเรื่องของเขาตรงนั้นเราถามแค่ว่าพร้อม น, นะเดี๋ยวผมจะประมาณเนี้ยเข้าประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยตอนนี้ผมจะโทรหาเลยเขาบอกได้ไดอไดผมก็เริ่มทําไป พอเข้าเปิดช่องของผมเปิดทางกันเสร็จปุ๊บเรื่องอื่นไม่เป็นอะไรน่ะพี่แจ๊คแต่พอเข้าเรื่งนี้ปุ๊บเนี่ยผมได้ยินเสียงคนอันนี้คือผมได้ยินเองไงนะหเหมือนคนตะโกนอยู่ไกลๆแต่เสียงมันอยู่ข้างหูเราว่ า, วางเนี้ยเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงเฮาเฮาที่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ไรู้อะไรผมก็มองมองหน้าแฟนผมเพราะว่าแฟนผมนั่งทางๆด้วยผมก็มองหน้าเขาก็มองหน้าผม แล้วข้างป่าผมไม่เหมือนว่าอะไรเหรออย่างเงี้ยผมก็เลยใส่หน้าอืมคือไม่ได้พูดอะไรแล้ ว, ลวก็พูดเราตอบไปเรื่อยพอผมเริ่มเล่าเรื่องนี้และน้องเขาก็เข้าไปแชรกับเราด้วยออืการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะผิดที่ข้างผมข้างเดียวไม่แตกถูกไหมครับออืการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะผิดที่ของใครบางเครื่องไม่แตกหรือจะมีสองสคนตรงกับผมไม่แตกครับแต่นี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของทุกคนที่อยู่ในห้องนะวันนั้นทุกคนพยายามส่งข้อความมาบอกว่า หน้าจอของเขาคือหมุนติ้วติ้วติ้วเหมือนกันทุกคนพี่แอืคแล้วผมก็พยายามทําทําอยู่มันดับครับคือมันตัดออกไปเลยเสียงผมหายมันจบไปครั้งหนึ่งับการถ่ายทอดสดทางยูทูบไยอะไรวะออผมก็ยังไม่คิดอะไรครับเข้าใหม่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บครั้งที่สองสัญญาเริ่มลวดตอนแรกไม่เป็นไรเลยพี่พูดเรื่องอื่นไม่เป็นไรขอโทษขออภยว่าต้องให้ทุกคนมาเข้าใหม่ขออภัยด้วยนะครับพอเริ่มพูดเรื่องเนี้ยเป็นอีกแล้ว ทุกคนเป็นหมดเหมือนกันเหมือนเดิมปะเป็นหมดทุกคนเหมือนกันแล้วเหมือนเดิมด้วยอ๋อแปลกผมก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆพอเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกสัญญาณไม่ดีอีกแล้วสัญญาณไม่ดีแหละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับรบกวนอีกครั้งออืช่วยกดเข้าใหม่อีกทีนึงเพราะมันไม่แจ้งเตือนด้วยวันนี้มันแปลกมันไม่แจ้งเตือนด้วยออืแล้วพอผมกำลังพูดๆอยู่ปุ๊บเนี่ยผมก็พูดขึ้นมาว่าคือน้องเขาอยู่ในห้องแถบด้วยผมก็เลยบอกถ้ามีอีกครั้งหนึง ผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะออืเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ให้เล่าเรื่องของเขาครับครทีเนี้ยผมก็เข้ามาครั้งที่สามพอเข้ามาครั้งที่สามผมลองพูดเรื่องอื่นอารัมพบทไปเป็นสิบนาทีอะพี่ไม่เป็นไรเลยนะแต่พอเข้าเรื่องนี้ปุ๊บเสียงขายสัญญาณติดขัดแล้วหมุนหน้าจอทุกคนเลยเป็นพร้อมกัน อันที่จริง้าเกิดว่าใครที่ฟังเรื่องของผมอยู่นะรบกวนช่วยบอกผู้แจ้งทางแชททางแชทด้นะครับนี่นี่ไงบอกว่าหลอนเลยครับวันนั้นเหมือนมีอะไรมากวนจนฟังไม่ได้เลยใช่ครับบอกว่าได้ยินงด้ยเรื่องเดียวและได้ยินสองครั้งค่ะคือฟังไม่จบคลิปลีบปิดทันทีเลยค่ะอันนี้นานะตอนนั้นที่น่าจะอยู่กับคุณคิงนะตอนนั้นน่ะนะครับอ่าอ่าแล้วก็พอผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเสร็จุ๊บผมพูดเนี่ยรอบพี่ถามเนี่ยผมพูดไปได้ประมาณมากกว่าครึ่งแล้วแต่ มันเกิดเรื่องตรงที่ว่าผมพูดไปถึงุสัญญาณของผมหายไปทุกคนก็บอกสัญญาณของผมหายจนมันตัดแต่ผมทัดทางเฟกลับไปหาน้องเขาที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาบอกพี่จริงเนี่ยเรื่องของพี่คิพอพี่คิพูดนี่ยพี่พูดไปถึงไหนผมบอกขอพูดไปเรื่อยๆเลยแต่ีที่แน่ๆสัญญาณมันตัดเป็นนานแค่ไหนที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกแต่มันวนกลับมาที่เดิมกลับมาตรงที่จุดสำคัญที่เขากําลังจะเสียชีวิตวนวนหูของเขาคนเดียววนวนวนวนพูดประโยคเดิมอยู่แค่ คือเป็นเสียงผมตอนเล่าแต่เล่าเรื่องเดียแล้วพูดประโยคเดียววนวนวนเขาก็เลยแบบไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาเ<อ>สร็จปุ๊บผมก็เลยบกโอ๊ยดี๋ดี๋ยเกิดว่าจบจบไอ้นี้เดี๋ยวพี่ขอโทรหาใหม่<อ>ก็บอกบอกบอกบอกแล้วถ้าโทรหาปั๊บคุยกันระหว่างคุยกันนั้นทังฝั่งน้องเขาถามผมว่าผมทําอะไรอยู่เหมือนเขาจะได้ยินอะไรแต่เขาไม่ยอมพูดจนตอนนี้เขาก็ยังไม่ยอมพูดไม่บอกผมนะ<อ>ผมก็เลยถามเข้าไปคำนึงว่า ผู้หญิงคนนั้นที่เราเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเสียงเขาเข้าห้าวใช่ไหมลองเขาทาท่าเหมือนจะร้องไห้เฮ้ยจริงเหรอไม่ใอ่เสียงเขาเหมือนจะร้องไห้ผมก็เลยแบบนั่งไงพี่ได้ยินเขาจะคล้อไปหูพี่ดีแล้วไงแต่พเดกใจว่าเป็นอย่างอื่นครั้งแต่สัญญาณมันหายไปเขาก็เลยแบบว่าไม่เอาแล้พี่ผู้นี้หนูทําบุญด้วยหนูไม่เอาแล้วผมก็เลยว่าเรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่เล่าออโอเคไม่เล่าเ้าอยู่วันหนึ่งมาปุ๊บผมก็โพสบนกระดานเฟซบุ๊กเพราะว่าทุกคนถามมาพี่ทีถ้า ถ้าเราไม่ได้ได้ปากทิ้งได้ไหมอะไรเงี่ยผมก็เลยตอบว่าไม่ได้จริงๆด้วยอาการทางปวงไม่ได้เลยอ้าไม่งั้นผมอาจจะไม่ดีไปกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาแม่อนุญาตแล้วอะออเฮ้ยคุณคุณคิงผมจะบอกว่าวันนั้นคนที่อยู่คุณคิงตอนนั้นเยอะมากนะฮะมีคุณคุณโทษนะฮะคุณทุยใช้ชื่อนี้มาบอกว่าเรื่องคุณคุณเลทใช่ไหมนะครับแล้วก็ใครไม่เชื่อลองไปฟังแห้งดูหลอนสุดๆนะครับบอกว่าคิงครับสองสามรอบเลยวันนั้นเลิกเลย วันที่คุณคิงเล่าเนี่ยสัญญาณสัญญาณโด่งมากตอนที่เล่าเรื่องนั้นเรื่องอื่นฟังได้ปกติวันนั้นแปลกมากนะฮะแล้วก็มี<ไ>หลายคนเลย<ไ>โอ้ยวันนั้นอยู่คนเยออือแล้วมาตอนเช้าพี่<ห>แจ็คตอนเช้าน้องเขาไปทําบุญอันนี้น้องเขามาบอกหลังาาจากลับมาจะมาทาบุญเขาเข้า<ห>ไปที่วัดวัดหนึ่งแล้วเขาเข้าไปถึงปุ๊บเขาบอกหนูต้องการมาทำบุญให้กับดวงวิญญาณดวงหนึ่งเพราะว่าอย่างงี้พูดไปได้หน่อยเดียวพือแบบพูดไปได้หน่อยเดียวท่านบอกอ๋อ ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องเขาไม่อยากเล่าเรื่องเขาก็อย่าเล่าแล้วกันฮะรู้เปล่าพระสวดขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องเขาบอกจริงๆแล้ววันนั้นน้องก็ามีการตะบงตะบานข้างในแฉดนะเขาบอกว่าจริงๆริงเขาสัมทับผมไม่คำในหลังการที่ผมพูดออกลายว่าเราไม่ได้เพราะขนาดน้องเขาไปทําบุญที่วัดเนี่ยแค่เขาพูดว่าเขาจะมาทําบุญเรื่องเนี้ยังไม่ไันเอ่ยอะไรพระสวดมาแล้วว่าเขาไม่ให้เล่าเรื่องของเขาไม่ต้องเล่าออื แล้วค้าได้กันรู้เได้องว่าน้องเขามาถึงประสงค์อะไรอาจจะทำบุญเรื่องอื่นก็ได้แตอยู่ดีจะต่อจงว่าหลักการเล่าเรื่องของเขาได้ยังไงครับแล้วตกใบบ่ายมาผมได้คุยกับอ่าเพื่อนในเฟซบุ๊กซึ่งเป็นทหารอยู่แดนภาคใต้พอดีเขาได้ลากลับมาเป็นม่ไดอ่านผ่านับผมงก็เก่งว่าเขาเนี่ยจะติดตามแม้ว่าผมไม่ค่อยทันเพราะว่าตอนนั้นเขากลับมาเพื่องานตกเราก็เป็นห่วงเป็นใยเราก็โทรคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าเห็นเรื่องนี้บนหน้ากระดานอ่ะไม่ต้องถามนะครับเพราะว่า เขาไม่อนุญาตระหว่างที่ผมคุยอย่างเขาพี่แจ็คครั บ, รบพอผมพูดพอเขาถามว่าไม่อนุญาตใช่ไหมครับเั้นก็ไม่ต้องเล่าขเขาผมก็เลยบอกเพราะว่าเมื่อคืนผมเจอแล้วเสียงผมมาตัดไปทางเขาพูดมาฮัลโหลคุณพิงคุณพิงผมก็บอกฮัลโหลพี่อินนะครัุณเิมฮัลโหลคุณเหลิมนี่นะครับเขาบอกฮัลโหลฮัลโหลเขาบอกนั่นไงครั้งแรกผมก็กดวางแล้วผมก็โทรปไปใหม่ครับพอโทรเสร็จคุณเหลิมเห็นไหมแค่ผมพูดแค่เนี้ยเริ่มแล้ว อืมก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเริ่มพูดเรื่องนี้นะแล้วสัญญาจะงี้เราจะไม่พูดกันแล้วนะครับแล้วคุณเหลือช่วยไปสัมทําในรายการให้ผมด้วยก็บอกได้อระหว่างตอนนั้นผมก็คุยเรื่องอื่นไปก่อนเพื่อดูสัญญาณเม็ดว่าเอาเสียดูดีมันจะเป็นอะไรแค่โทรกับวันในแสนเนี่ยพอผมคุยกับเขาคุ๊บเนี่ยพอถึงบอกเก่วกเรื่องนั้นเนี่ยผมว่าจะไม่พูดแล้วที่คนถามผมว่าอ้ามพี่มันคึกคึกคึกผมก็ฮัลโหลแล้วมันซุ้งซึ้งซึงซงงผมไม่ยินเสียงผู้เหลือฮัลโหลฮ เขาไม่ได้ยินครับผมก็เลยยกมือไหว้บ อ, บอกคุณครับผมไม่เล่าเรื่องของคุณแน่นอนผมแค่บอกสาเหตุให้กับทุกคนทราบตอนเนี้ก็เหมือนอย่างหนึ่งที่ผมบอกผ่านไปว่าอยากถามผมดิพอเรื่องเนี้ยผมเล่าไม่ได้จริงๆถ้าเล่าผมไม่รู้ว่าผมกับน้องคนนั้นจะเป็นยังไงบาง้างผมจะไม่เล่าเรื่องเขาเพาเขาไม่ให้เล่าเขาไม่ให้เล่าด้วยการทั้งพวงเลยแสดงว่าเอ่าเรื่องของอันนี้คือผมผมถามแบบอ้อมๆนะคืออัานไหนที่ตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ไม่เป็นไร แสดงว่าคดีความของเขาเนี่ยมันยังไม่จบป่ะสิหรือมันอาจจะจบแล้วแต่มันเหมือนจะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จ า, กจางกที่คุณทิงเล่ามาที่คุณทิงได้ยินได้ฟังมาคิดว่าคดีความอาจจะจบแล้วแต่เหมือนมันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่ ชีวิตเป็นยังไงฉันไม่เห็นผมพอเข้าใจแล้วผมพอเข้ใจแล้วผมอเข้าใจแล้วแล้วก็พอหลังจากที่กลางวันนะพี่แจ๊คหนึ่งคืนหนึ่งคืนที่อรเจอสามช็อตต้องตัดสามช็อตนั้นหนึ่งคืนนะอยู่วันหนึ่งมาปุ๊บผมโทรคุยกับคุณเหลิมตอนเช้าวันแล้วตอนกลางคืนวันนั้นก็ทําการทํางเดิมเหมือนเดิมว่าผมก็ชอบนะก็ทํามำอม่างเดิมแล้วให้คุณเหลิมเข้ามาสําทับว่านี่คือเรื่องจริงเราสอคนไี่คุยกันทำให้จชนเจอ ก็ยังเสียงหายเสียงตัดครับโอเคพอคุณเหลิมพอก่อนที่คุณเหลิมจะเข้าผมมานั่งฟังตอนหลังเนี่ยก่อนที่คุณเหลิมจะเข้าที่ผมจะโทรหาคุณเหลิมแล้วออกขายสดให้กับทุกคนได้ฟังเะอืมเสีย ง, งผมมาพแจัดผมพูดอยู่ใกล้ไม่มากแต่เสียงผมมันเป็นแบบเหมือนอยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเหมือนฟัง่นแหละครับออคือมันหายไปแล้วมีน้องคนหนึ่งแจ็คแท็กเขาพิจิ้เหมือนพูดทางไมปผมก็เลยบอกเออผม สงสัยแล้วมันคือเราพยายามที่จะไม่ให้เขากลัวไงสงสัยคงจะห่างใหม่แต่ผมนั้นรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแหละนั่งปากจอเลยแหละแล้วเป็นอย่างนี้ต่อครั้งคือครับแล้วเดี๋ยวพอผมจะโทรหาคุณเหลือมเพื่อให้มาเราเองนะครับเดี๋ยวรอสักพักผมโทรหาคุณเหลือมนะออืคือมันหายไปไอยตอนตรงที่ผมพูดเหมือนถ้าเราจะพยายามเอ่ยถึงเรื่องของเขาเมื่อไหร่เนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างมาปิดกั้นทุกครั้งครับหุ่นฟังว่าขนลุกเลยเนี่ย มันเขาบอกกับผมให้รู้ไปในไหนเลยว่าพรู้ว่าคุณจะพูดวินาทีไหนชั้นก็ดูอยู่ว่าคุณรู้เรื่องของชั้นแล้วแต่คุณอย่าพูดเฮ้ยแสดงว่าเป็นคดีแบบว่าสําคัญแล้วมันคดีแบบใหญ่นะเนี่ยอันนี้ผมขอไม่คอมเมนต์เลยรู้รู้รู้รู้เข้าใจแหละคือเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยคือน้องคนนั้นเนี่ย เขาเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้คุณกิงฟังได้ยังไงเขาไปรู้เรื่องราวเหล่านี้นะมาได้ยังไงเขาเป็นหลานครับอ๋ออ๋ อ, อเขาเป็นหลานครับเขาก็เลยรู้เรื่องราวทั้งหมดคเฮ้ยคุยหน้าโ ก, กจังเลย อ, ะอ่ะออมีการพูดถึงอะไรวิชี่เสียงหายเสียงอะไรหาย หฮ้ยฮัลโหลยังอยู่คุณคิงได้ยินเสียงผมเนาะผมไม่ได้ผมพูดแต่เด็กๆไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินตองรำพี น, นะพี่อะไรนะต้องรำพีผมพูดจนมาเจอเรียกพี่ไม่มีอไม่มีไม่มีเสียงเรียกมาคือผมพยายามผมกำลังพูดอยู่ไง ผมไม่ไม่ได้ยินเสียงคุณชิงเรียกมาด้วยนะเดีพูดอย่างนี้ที่ผมนั่งอยู่คนเดียวด้วยเริจริงเว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็เมื่อไ้ระหว่างบอกแล้ ว, ลวผมไม่ได้เล่าเรื่องเขาระหว่างที่ผมกําลังพูดถึงเรื่องของน้องคนเนี้ยซึ่งซึ่งเป็นหลานของคุณพี่ท่านนั้นอยู่ว่าอ๋ อ, อผมเขา้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงเอาเรื่องเรามาเล่าได้เพราะเขาเนี่ยน่าจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดครับอ่าแล้วผมก็หันไปเห็นไอ้เตวีมันทําหน้าเออเออแล้วมันก็ ครับเป็นไรวิ้แล้วสักพักแล้วมึงเหนือ่อยตอบว่าเมื่อกี้เสียงหายแล้วคุณคิงก็สวนกลับมาว่าเมื่อกี้คุณคิงพยายามเรียกผมแต่มันไม่มีเสียงคุณคิงมาเลยนะรับรองว่าหูฟังผมไม่เพี้ยนแต่ไม่มีเสียงคุณคิงเรียกมาโอ้เออนี่ผมก็รู้คุณคิงแล้ที่แล้วน้องคนนั้นผมเชื่อ ว, ว่าเขาก็ยังฟังพี่อยู่เพราะว่าผมก็พูดแล้วว่าผมจะผมจะพูดทางออทางฝั่งพี่แจ๊<ฆ>พูดถึงเรื่องความน่ากลัวของในเรื่องตรงนี้ แต่ผมจะไม่เอาเรื่องไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าถ้าถ้าไม่สบายใจ<ร>อย่าเล่าดีกว่าเพเเราะว่ า, วา ม, มันเป็นเรื่องของอ่ะโอเคคดีความมันเป็นเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยใิตใจใบางอย่างที่เขาอาจจะไม่อยากให้ใครรับรู้อ่ะใช่พี่สําคัญเลยแหละผมเข้าใจสําคัญแต่ด้วยเรื่องอะไรมันเล่าไม่ได้จริงจะบอกเลยว่าผมเชื่อว่าเขาคงแบบ เรียกสุดแห่งความทุกข์แล้วเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่จะหลุดไปมาประยุนนี้แต่ผมบอกเลยว่าวันนั้นนะวันนั้นนะพี่ไม่มีการเมคสัญญาณเปนไม่ใช่เป็นของผมมันเมคไม่ได้เป็นขอคนทางบ้านด้วยใช่คือถ้าคนทังบ้านด้วยคือถ้าคุณคิงจะเมคเรื่องนี้นะคุณคิงต้องมีสุดยอดเทคโนโลยีก่อนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไปกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาจากที่คุณคิงอยู่แล้วยิงไปหาบ้านเขาได้นะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องทําได้ขนาดนั้นนะครับ แล้ววันนั้นนะพี่จงในขณะที่ผมทําอยู่อ่ะพอหลังจะจบอ่ะทุกอย่างในบ้านผมอ่ะมันดูเหมือนเราไม่ได้อยู่แค่สองคนมผมนี่ความรู้ึกคือผมคือแฟนผมก็กลัวล้ะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนีไยแล้วแฟนผมเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังเขาตลอดผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวไปเข้าน้ําไปเพื่อนอในขณะที่เราไปเข้าห้องน้ําออืำตรงฝั่งที่ผมทํารายการมันไม่มีคนอยู่แต่เห็นก็อีพลาสติกผมลากดังทึ๊ด แล้วผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ม, มวันคืออะไรีเขาอิมพัตินี่พัดลมไม่เล็กของผงเป่าไม่ได้แน่นอนนะผมว่าอมอมผมว่ า, วาอย่าอย่าอย่าพยายามลื้อฟื้นเรื่องนี้มาเล่าเลยคือใช่ครับผมผมได้อบอกว่าผมขอมาทุกคนเลยว่า<อ>บางคนเนี่ยเขาเข้ามาฟังทีหลังเนี่ยยังเหมือนเขาฟังห้องผมเนี่ยเขาก็จะถามมาตลอดคําถามหนึ่งที่ผมได้ยินคือบอกว่า ผมไม่โกรธนะอันนี้บอกเลยผมไม่ได้ใส่เราผมเข้าใจทุกคนว่าเขาก็อยากจะรู้เนาะแล้วเขาก็หวังดีเขาก็ติดติดตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องอืผมเล่าไม่ได้จริงๆริงแต่เดี๋ยวนะลูกทิงผมถามนิดนึงอ่ตอนที่น้องคนเนี้ยเขามาถ่ายท่อนลูกทิงฟังเนี่ยเขาเล่าได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยป่ะเขาใช้พิมพ์เมาครับเขาใช้พิมพ์เมาแล้วในการพิมพ์เมาเนี่ยเขาบอกเขาพิมพ์แบบตบๆหล่นๆด้วยถ้าพี่ทิงไม่เข้าใจอะไรพี่ทินโทรมาถามผมถึงได้บอกว่า พอผมอ่านจบตะกุ่งก็โทรกลับไปหาน้องเขาแต่ที่ผมบอกพี่จําได้ไหมว่าในครั้งแรกที่เขาพิมพมาแล้วผมอ่านเนเชอร์ทั้งหมดแล้วอะ่เะเขาบอกเขาส่งมาแต่ผมไม่เห็นอืมเขาบอกเขาส่งมาแต่ผมไม่เห็นจนเขาทักมาอีกครั้งนึงว่าพี่คีนคะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราเป็นยังไงบ้างผมจะรู้ต้องอ่านอะไรครับแล้วผมก็บอกว่าอุ้ยขอโทษผมไม่เห็นนะเนี่ยแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ยังคุณคีนแ<า>ป๊บหนึ่งวีวีวีเอ อได้ยินเสียงปังนาทีที่050051คืออะไรลูกได้ยนเสียงเหมือนแบบคนขอหลอเพิ่งเนือแต่ไม่แน่ใจอะได้ยินใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยพูดจริงเอาอย่างนี้คือเดี๋ยวคือเดี๋ยนะผมผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมขออ่าเขาเรียกว่าขอขอสาบานนะครับขอปฏิญาณว่าสิ่งที่ผมจะพูดเล่าต่อไปนี้เนี่ย มันคือเรื่องจริงนะะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ผมมีอันเป็นไปไอ้เสียงตังที่หนูได้ยินนะลูกพี่อะปกติเนี่ยมันจะเป็นเสียงไอไอเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยแต่เมื่อกี้คือพี่ไม่ได้โดนพี่ได้ยินแต่พี่คิดว่าตอนแรกคืออะไรรูป้ป่ะอีพี่บัตรทําเสียงปั้งแต่พอพ อ, พอได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็หันไปเหละมองก่อนพิบัตรนั่งเฉยพี่อะตอนแรกคือว่าเมื่อกี้สมองมันคิดไปเร็วมาก ไอ้พี่ไอ้พี่ขาไปเตะโต๊ะหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ผมมาสะดุดตอนที่มันเนี่ยไอ้จวีเนี่ยมันมาพิมพ์อยู่ในอ่าตัวชัทเนี่ยนะครับบอกว่าได้ยินเสียงตั้งนาทีที่ประมาณศูนย์จุดห้าศูนย์ถึงศูนย์จุดห้าหนึ่งผมก็เลยแบบคุณขีดปั๊บหนึง่งวี่ได้ยิน เ, เสียงอะไรลูกเสียงเดียวกันเลยเคือผมได้ยินมันได้มันได้ยินเสียงมาจากห้องเนี้ยเหมือนเหมือนเสียงเนี้ยเออ<ม>เสียงประมาณเนี้นย แต่แต่ผมไม่ได้โดนผมไม่ได้โดนกุ้ยอี้ผมไม่ได้อะไรจริงๆครัผมสาบานได้เลยจริงๆครับเออผมผมสะดุดกับที่ที่ที่น้องมันพิมกี้นะผมเลยต้องเอ้คุณพงหยุดก่อนขอถามมันก่อนเออแต่ผมได้ยินเสียงเนีจริงๆงั้นผมถามพี่แจ๊คย้อนเลยของพี่แจ๊คมีเตียงผู้หญิงพู้ตุลพามคลหรือเปล่าครับหน้าที่ผมฟังมาเมื่อกี้ไม่มีแล้วพี่ไม่ได้เปิดอะไรในรายการใช่ไหม มีแต่สาวเนี่เนี่ยที่ผมเปิดเนี่ยสาวตัวนี้ผมจะเปิดคอไว้เบาๆตลอดแต่มันจะไม่มีไม่มีครับซาวจะไม่มีเสียงคนเลยจะเป็นเสียงสาวดนตรีตลอดแต่ที่ผมได้ยินเหมือนคนแบบขอโทษครพี่เหมือนผู้หญิงพูดประกาศข่าวอ่ะคือจะพูดไปเรื่อยๆอ่ะจบจบจบจบจบบจบจบจมือนอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยว่าเป็นซาวของพี่ผมเล่ฟังดีนนแต่ผมไม่ถามประกาศข่าวไหนอ่ะเดี๋ยวก็เนี่ยครับผมไม่ถามเพราะว่าลักษณะคนประกาศข่าวคือจะพูดต่อกัน เเดินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยเดียวอาทีละคนมาให้วีก่อนปึ้งมันได้ยินเสียงสัอย่างนึ่งอะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีกลับไปฟังมันฟังไม่ได้ไอไอเจ้วีบอกว่าก่อนเสียงปึ้งเนี่ยมันได้ยินมันได้ยินเหมือนคุณคิงอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะเสื่อน้องมันอยู่คุิงผมไม่ได้ฟังคุณคิงอยู่นะคุณคิงบอกว่าได้ยินเสียงแบบผู้หญิงกําลังพูดอะไรพึมพำพึมพำอยู่ จคือ เ, เสียง ม, มันได้ยินเหมือนได้ยินก่อนที่จะมีเสียงผึ้หงขึ้นมาแต่มันเสียงอะไรอ่ะมันต้องฟังอีกทีตอนที่มันรีบอะไรมันรีบไม่ได้คือคุณอธิบายเลมันไม่มีเสียงอะไรเสียงผู้หญิงแน่นอนที่พูดแทรกนั่นไงกูว่าแล้วคุณคิงไอ้กีได้ยินเสียงผู้หญิงไอี่ตรงนี้ไม่มีแลรวถึงนอนงีบเลยันผวหลับไปแล้วเนี่ยผมพยายามเค้นมันอยู่เนี่ยคือมเมื่อกี้ต้องขึ้นแบบนึงแล้วบอกไอ้ไอ้พี่มผมได้ยินเสียงบอกพี่ ก่อนเสียงก่อนเสียงเนี้ยให้ผมก็เล่นคอยู่ี่ระหว่างผมเราให้แจ็คฟังเนี้ยมันเหมือนับพี่แจ็คเปิดวิทยุหรือมีวิชาพิจาราท่้มันแบบผุนนมาตลอดเลยผมก็รู้ว่าเป็นซาวพี่หรือพี่เปิดอะไรวิทยุตัไม่ใ่หรือเปล่าซาวผมจะไม่มีเสียงพูดเลยจะเป็นเสียงอย่างนี้ตลอดทั้งทั้งทั้งตลอดยี่สิบนาทีคือผมมาอัดซาวนี้มา ยีิบนาทีแล้วผมตั้งลูปเอาไว้มันก็จะวนอยู่เนี้ยครับยี่สิบนาทีอ่าคือต้องบอกคุณผู้ฟังนี้ก่อน <ผม S 1> ว่าถ้าคุณผู้ฟังรู้จักแจ๊กดีรู้จักผมดีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสร้างสถานการณ์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือผมทํางานพวกนี้มานานเห็นเจอผมก็จะพูดไปตามตรงไม่มานั่งบิ้วด้วยแต่มาแก้ที่ผมสะดุดคือ คือผมก็ที่ผมถามผมพยายามหาคําตอบนะฮะทุกอย่างเลยมันมีคําตอบในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ได้ว่าเสียงที่มันได้ยินเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้โดนเนี่ยเสียงเนี้ยมันคือเสียงอะไรอ่านั้นได้ยินจริงๆแต่ผมแต่ผมคิดว่าคง ม, มีใครไปโดนโต๊ะเก้าอี้อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยปล่อยผ่านไปโจนวีมาพิมพ์แล้วเมื่อกี้พอคุณคิงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพุ่งทําพุ่งพังในลำคอเสียงมันคนอ่านข่าวแล้วพูดไปเรื่อยเนี่ยพอ อ่าไอเจอวีนะครับมันก็บอกว่าเปิ้ลปิ้ลอีกแล้วเหรออะไรที่เปิ้ลเมื่อกี้ังเมื่อกี้เลยเนี่ยนะเออแล้วขอนหน้านี้ไม่มีเสียงเหมือนเทปรันกลับอ่ะไม่มีพอแล้วมั้งเทปไรรันกลักบน้องกาลังพยายามเช็คฟังอยู่นะครับก็าี่รันกลักบรันกลับแล้วเป็นเหมือนเนเนี่เนเนเสียงมาใกล้ๆ เ, เนี้ยเนี้ยไหนอ่ะเดี่ยเมื่อกี้เราผมเผมจะเริ่มพูดเหมือนเขาพูดเลยหรือเปล่าพี่มาฮึไม่ได้พอที่ อ่คุณนี่บอกว่าเสียงนั้นกลับใช่ไหมครับเหมือนกับที่น้องคนที่เขาที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาพูดว่าคนอื่นฟังเทสที่ผมไลฟ์เนี่ยตามสดเนี่ยมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆไอ้ที่มันไปข้างหน้าคนอื่นไม่ยินคเสียงหายแต่สำหรับน้องเขาวันกับมาที่เดิมเอาอีกคนอย่างเดิมอย่างเดยวคุณคิงแป๊บนึงเอาอีกคนแล้วอะไรพิบัติว่าอะไรมันได้กับแท้เสียงใครกระแท้อย่ะเมื่อกี้ไม่ได้กันแท้คุณคิงพูดอยู่ผมฟังคุณคิงพูดอยู่ทําไม พี่บาทเสียงเขาพึ้งตรงไหนโห<ฮ>ไม่ได้ยนินที่รเราได้เจอเหมือนผมเลยคือพอเราได้รับ ก, กันเขามันเหมือนจะเขาพยายามไปล้อมทุกคนว่าอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมเจอก็อย่างนั้นนะอะไรเสียงที่แสบหายไปเลยเนี้ยเสียงผมหายเหรอ อ, อตอนนี้วี่ฟ<ห>ังผ่านพี่บาทฟังผ่านเด้พี่วี่ฟังผ่านอะไรอยู่ฟังผ่านไลฟ์ฟังผ่านไลฟ์ตอนนี้เสียงผมหายเหรอ ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ชนต้นเปี่นโทรศัพท์เียสียงหยผมอาจจะผมไม่ใจลองเปิดดูว่าเสียงหายคืออะไรคือได้ยินเสียงคุณพิงคนเดียวหรอเอ้ยังเสียงไม่ได้ยินแล้วอ่ะไม่มีเสียงในไรสด่เหรอไร้สดไม่หายนะแต่หนูต่หนหายว่าเสียงออกแล้วเข้าใหม่ดูหรือไม่ก็เฮดโฟนพังแล้วเออ ใครเทรน้ําได้ยินเสียงเทน้ำนะครับอ้าบางคนบอกค้างอาวอาวอ่าผมว่าพอดีกว่านะครับเราไม่พูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าคุณคนะชิงเนาะเพราะมั น, ม, น ม, มันไม่ดี <นะ S 1> <ฤ>อ่ะมันผมรู้สึกวันนี้แล้วเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมทำรายการมานะวันนี้ทำไมผมรู้สึกมันก ล, กกลัวๆยังไงก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอ่ะใช่พี่แจ็เหมือนผมวันนั้นเลย<อ>และผมนคนที่เห็นแล้วองพวกนี้มาเรื่อยๆในชีวิต<อ>แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาไม่ได้มาเห็นแต่เขาทําให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจ แล้วเขาพยายามล้อมกรอบผมอะหลังจากน้องคนนั้นส่งเรื่องให้ผมอะแล้วเขาล้อมกรอบในบ้านคือเดี๋ยวเดี๋ยวก็อี้รากเองเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตู้เย็นดังเดี๋ยวเ๋ยวไอ้ผมต้องเข้าใหม่ต่างๆครั้งในรายการไล่จดเนี่ยอืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาล้อมกรอบเราแล้วตอนเนี้พี่แจ๊คกำลังโดนเหมือนผมวันนั้นเดี๋ยวหูไม่ได้ยินเดี๋ยวเสียงอูดไม่เดี๋ยวเสียดังเอาจริงๆคือผมปกติแต่ตอนเนี้ยที่มันไม่ปกติคือทีมงานผมนั่นแหละนี่เขาล้อมกรอบเลยอพี่แต่จริงๆคือตอนนี้ที่ผมจัดรายการอยู่นะเอาจริงๆผมไม่ได้ยินเส นะครับผมไม่ได้ยินเสียงที่คุณคิงบอกว่ามึงมึมพูนทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนเนี้ยไอเจวีเองที่บักเองเนี่ยตอนเนี้ยคือแต่ละคนไม่ปกติละแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมได้ยินเสียงครั้งเดียวคือเสียงเสียงเนี้ยโทษนะฮะอันนี้จะทำเสียงนะคือเสียงนี้แค่นี้แค่นี้เอ อ, อะนะฮะแต่ผคือผมมันไม่ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเลยนะทั้งเจวีเองทั้งพี่บักเองเมื่อกี้พี่บักก็ทักมาบอกได้ยินเสียงตึ้งอีกแล้วซึ่งผมไม่ได้ทํา อทำผมก็ไม่ดีดีทำผมกําลังนี้ตอนนี้ผมกำลังเอาหลังทิงเก้อี้มากเลยแล้วถ้าพี่เห็นหน้าผมพี่จะบอกว่าผมหลอนมากเลยตอนนี้แต่เสียงเทน้ําเนี่ยมีคนพูดเยอะแล้วนะตอนเนี้ยคือได้ยินเสียงเทน้ําไม่มีใครกินน้ําไม่มีใครกินแฟนผมไม่มีใกินน้ำแล้วแฟนผมก็นอนผมพี่สกิ้เมื่อเช้เนี้คือตื่นมาอยู่ที่กางเกงคือผมยังงี้คือผมประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้พูดผมแค่ตะกี้อทํามือให้ลุกขึ้นเลยอืมอืมอืมเอางี้ทุกอย่างเลยเนี่ย อ่าสติครับทุกอย่างผมว่ามันมันอยู่ที่สติของเราเองด้วยนะครับแล้วตอนนี้คือผมก็ก็ยังยังรู้สึกมีความกลั ว, ลวอยู่แต่ผมไม่ได้ยินไม่ได้รู้สึกหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ที่มีคนพยายามจะแชทเข้ามาบอกคือได้ยินเสียงเทน้ําผมพยายามจะฟังอยู่นะ ไม่มีอะ่ะเสียงเท้าน้ำอะเี๋ยผมก็ต้องไยฟังย้อนหลังนะครับเขาบอกมีเสียงน้ํามีเสียงอะไรแต่ไอเสียงพูดรุมพันเนี่ยเสียงอาบน้ําก็ไม่มีนะครับเ อ, อห้องน้ําที่นี่มันไม่มีให้อาบน้ำไม่มีเหมือนจะมีเขาสูดแค่ขึ้นมาตลอดเหมือนเขาเขาพูดคอกับเราเหมือนพยายามทำให้เราแบบไม่มีสมาธิเสียงอื่นก็ยังมีเสียงเหมือนจะพูดหญิงตันข่าวอะที่เหมือนคนเปิดข่าวว่าไกลๆอะไม่มีครับทุกอย่างมันถูกปิดหมดอันนี้ผมผมบอกเลยว่าอันนี้ผมปิดเาวด์เลยด้วยอะ ตอนนี้มีแค่มีคุณคิงที่ออกอากาศอยู่นะมีเสียงคุณคิงมีเสียงผมเท่านั้นที่ออกอากาศเปิดเปิดอยู่สองไลน์แล้วน้ำผมปิดหมดเกลี้ยงครับไม่มีแน่นอนอ่าก็อ้าวสรุปรแบบชัดเลยนะน้ำผมทุกคนเห็นแล้วนะฮะแล้วทางผู้จัดเองก็ทาบแล้วทุกคนเนี่ยที่อยู่ในห้องกับผมวันนั้นอ่ะกับทุกคนที่ยังไม่รู้และพยายามที่ฟังแห้งนะถามเข้ามาผมต้องกล้าบเลยผมกล้าขอเลยว่าอยากถามเรื่องนี้เขาไม่ให้เล่าจริงบางคนถามว่า ไม่เล่ากินได้ไหมไม่ได้จริง น, นด้วยประกรันทั้งกลวงนะไม่เล่าก็อย่าไปเล่าแค่นั้นเองนะครับสบายใจแล้วก็ดีที่สุดนะคุณคิงน ะ, ะผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวมันจะพากันเครียดไปกันใหญ่นะพอะนล้ เ, น เ, ร เ, นเรื่องเปลี่ยนเรื่องออกไปเรื่องแบบว่าพอแล้ว เ, เ, เวลาหมดหมดเวลา เป็นวันหนึ่งกว่าแล้วนช่ไฮะเราจะให้เราพเวลากินเวลาสถานีมาพอสมควรและคุณคิงคนะฮะคุณคิงมาทีไรนี่ไม่เคยทาให้ผมผิดหวังไม่เคยทาให้คุณผู้ฟังผิดหวังเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณคุณคิงเช่นเดียวกันขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเดียวกันเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกัน